เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่กลุ่มนักศึกษาเดนัทกับไปเที่ยวพักแรมที่ภูกระดึงตอนก่อนออกเดินทางไปเที่ยวคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มท่านก็ได้เตือนให้ไว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตามภาษาผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงหลานแต่พอมาถึงตอนเช้าที่ภูกระดึงเขาก็ไม่ได้นึกถึงพวกเขาไปกันทั้งหมดสิบคนและไม่มีใครเคยมาเที่ยวภูกระดึงมาก่อนเลยหนึ่งในนั้นชื่อบอย เป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องอาถรรพ์และเป็นคนผงผางพูดจาไม่ค่อยดีนักตามสไตล์วัยรุ่นหยาบคายบ้างท้าทายบ้างเพื่อนเพื่อนห้ามก็เหมือนยิ่งยุระหว่างการเดินทางบนภูกระดึงวันแรกบอยก็พูดจาแบบขนองปากไปเรื่อยแล้วกลุ่มของพวกเขาก็หลงป่าหาทางออกไม่เจอเป็นเวลานานพี่ใหญ่ของกลุ่มเริ่มไม่สบายใจจึงไปยกมือไหว้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น ด้วยความเข้าใจเองว่าจะต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและหลังจากที่ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วเดินต่อสักพักเขาก็เห็นไม้สีแดงลักษณะเป็นไม้ปลายงอม้วนเข้าคล้ายไม้เทา้าเขาก็เข้าใจเองว่าเป็นปลายไม้ที่ชี้บอกทางออกและแตัดสินใจเดินตามทางนั้นด้วยเกิบเอาไม้ชิ้นนั้นมาด้วยสักพักก็เดินพ้นออกมาจากป่าได้จริงๆเมื่อพ้นออกมาจากป่าได้แล้วก็เดินเที่ยวต่อไป ที่ผาลมสักเมื่อถึงผาลมสักยังไม่เย็นมากจึงนั่งนั่งนอนๆอ น, น, อนพักผ่อนรอชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนั้นกลุ่มพวกเขาไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปไปมีเพียงโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้ในตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มที่มีจุดประสงค์เดียวกันบางก็ถ่ายรูปบางก็พักผ่อน ด้วยความที่เป็นผู้ชายล้วนและด้วยความคลึกขนองของบอยเขาก็ได้ตะโกนด้วยคําหยาบคายออกไปที่ผาเพื่อฟังเสียงสะท้อนกลับมาในตอนนั้นบอยรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองมาที่เขาเขาเข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มอื่นบริเวณนั้นจึงถามเพื่อนๆว่ามีกลุ่มไหนมองเขาไหมเพื่อนๆต่างก็บอกว่าไม่มีใครมองเมื่อชมพละอาทิตตกแล้วพวกเขาก็ใช้เส้นทางเรียบผากลับที่ทําการ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 มีเหลือพวกเขาอยู่กลุ่มเดียวจึงรีบเดินเท้าให้เร็วขึ้นเดินจนถึงร้านค้าระหว่างทางจึงถามทางกลับและขอซื้อเทียนแต่เพียงแค่สองเล่มเพราะที่ร้านเหลือแค่นั้นและที่ร้านค้าก็แนะนำให้เดินทางลัดเพราะเห็นว่าดึกแล้วตอนแรกพวกเขาเดินเรียงหน้ากระดานสี่คนพอเดินๆไปทางก็แคบๆลงจนพวกเขาต้องเดินเรียงเดียว โดยให้คนแรกถือเทียนหนึ่งเล่มและคนสุดท้ายถืออีกหนึ่งเล่มบอยเป็นคนที่อยู่รังท้ายสุดตลอดทางพวกเขาจะนับ 1-10 ถึงเป็นระยะระยะเพราะมืดมากเพื่อใครหายจะได้รู้เส้นทางค่อยๆลาดต่ำลงหญ้าสองข้างทางสูงเกือบจะท่วมหัวหมอกก็ลอยต่ำเลียดพื้นมองไปข้างหน้าเห็นเพียงท้องฟ้าที่มืดมิดมองต่ำกว่ายอดไม้เห็นเพียงสีดำสนิทระยะการมองเห็น เพียงรัศมีแสงเทียนในระหว่างที่เดินอยู่ทุกคนรู้สึกมีสิ่งไม่ปกติเกิดขึ้นตลอดบ้างรู้สึกเหมือนมีคนวิ่งเอามือระต้นหญ้าข้างทางผ่านพวกเขาไปแต่ไม่มีใครกล้าทักพอเดินเดินไปเพื่อนที่อยู่หน้าบอยกระซิบว่าเห็นคนบอยก็ตกหัวเพื่อนพร้อมบอกว่าคนที่ไหนไม่เห็นมีเลยแต่หลายคนเล่า ว, ว่าเห็นเหมือนคนตัวดำๆตัวใหญ่มากนั่งยองๆ กอดเขา่ามองพวกเขาอยู่ข้างทางห่างไปไม่ไกลมากระยะเพียงพลแสงเทียนจะเห็นจากห่างตาพอไม่กล้าหันไปมองเดินไปได้สักพักบอยรู้สึกเหมือนมีคนมาหายใจรดต้นคอและรู้สึกแน่นที่หน้าอกมากๆพวกเขาเดินไปถึงทางสามแพร่งปรึกษากันว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาดีและเริ่มนับเพื่อตรวจสอบว่าเพื่อนมากันครบหรือเปล่าแต่ก็นับได้9้าแล้วก็เงียบไม่มีเสียงขานของบอยตอนแรกก็นึกว่าบอยแกล้งแต่พอมองหาไม่เจอ พวกเขาส่วนหนึ่งจึงรีบวิ่งย้อนกลับไปเส้นทางเดิมและพบบอยนอนอยู่ข้างทางส่วนเอวลงไปอยู่ในป่าส่วนท่อนบนอยู่บนทางเดินเหมือนมีคนกำลังลากโดยดึงขาเขาเข้าไปในป่าเพื่อนๆก็ช่วยกันดึงไว้และร้องเรียกพวกที่ตามมาก็วิ่งเตะลากมาหมยเป็นแผลไปคนหนึ่งตอนนั้นบอยมีอาการกระตุกตาเหลือกตัวแข็งพวกเพื่อนๆก็ตกใจ ช่วยกันบีบนวดแขนขาเขาต่างก็รู้สึกว่าตัวบอยแข็งมากแข็งไปทั้งตัวเลยพวกเขาจึงพยายามหามบอยโดยคนหนึ่งสอนใต้แขนทั้งสองอีกคนยกขาเดินไปตอนแรกก็ยกไม่รู้สึกหนักมากพอยกขึ้นและในระหว่างที่เดินคนที่อยู่หน้าสุดร้องว่าเห็นงูอยู่ข้างทาง ทุกคนเห็นเป็นงูเหมือนกันหมดเก้าคนยกเว้นบอยที่ไม่รู้สึกตัวแล้วแต่จากงูกลายเป็นกิ่งไม้ไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาโดยพวกเขายืนยันว่าตอนแรกเป็นงูจริงๆคนที่หามบอยสองคนเริ่มไม่ไหวแล้วทั้งที่บอยตัวนิดเดียวคนหามทั้งสองคนตัวใหญ่กว่าเยอะต้องให้เพื่อนมาช่วยกันหามอีกเขาบอกว่าตัวบอยหนักขึ้นหามสามคนก็ไม่ไหวบอยก็หล่นลงมามีอาการชักอย่างน่ากลัว ในขณะนั้นเองเพื่อนอีกคนก็เห็นแสงไฟเคลื่อนเข้ามาและปรากฏว่าเป็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ทั้งๆ ท, ที่ตอนแรกไม่ได้ยินเสียงรถเลยคนขับเป็นชายใส่ชุดฐานพลานสวมโมก พ, พวกเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บให้ช่วยหน่อยคนที่ขับรถก็บอกให้เอาคนเจ็บขึ้นรถมาและให้คนขึ้นรถมาอีกคนคอยจับคนที่เจ็บให้ร่วงรุ่นพี่คนเดิมก็เลยขึ้นไปประคองบอย และได้เอาไม้สีแดงที่เก็บมาด้วยให้รุนน้องอีกคนถือไว้ชายขับมอเตอร์ไซค์ได้แนะนําให้พวกที่เหลือเดินเลี้ยวขวาที่ทางแยกข้างหน้าเพื่อกลับที่ทําการจะถึงเร็วกว่ารุ่นพี่คนที่นั่งซ้อนท้ายรถไปด้วยก็เล่าว่าเมื่อถึงทางแยกมอเตอร์ไซค์กับเลี้ยวซ้ายบอกว่าทางสะดวกกว่าและรุ่นพี่ได้เล่าให้คนที่ขับรถไปว่าเขามาเที่ยวกัน แล้เพื่อนก็เป็นอะไรไม่รู้ทันใดนั้นคนที่ขับรถอยู่ก็หัวเราะขึ้นโดยมีน้ําเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงใหญ่มากและพูดจยนยานว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกตอนนั้นเขากลัวมากๆแต่ก็ขับมาส่งจนถึงบริเวณสะพานไม้หลังที่ทําการเจ้าหน้าที่ที่ขับรถก็บอกให้ประคองบอยไปห้องพยาบาลซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วถึงห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาล ก็ให้กินยาและนอนพักผ่อนส่วนตัวรุ่นพี่ก็เดินไปซื้ออาหารอุ่นๆที่ร้านค้ามาไว้ให้บอยกินเพราะกลับมาถึงบอยก็ฟื้นแล้วแต่ยังงงๆอยู่เมื่อพูดถึงเพื่อนอีก8คนที่เดินกลับตอนนั้นเทียนดับไปแล้วพวกเขาก็อาศัยแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาที่พวกเขาเดินไปเหมือนมีคนตามมาตลอดและเพื่อนคนหนึ่งโดนผลักตกลงหลุมถึงสองครั้งโดยเพื่อนทุกคนยืนยันว่าไม่มีใครแกล้ง แล้วพวกเขาก็เห็นแสงไฟข้างหน้าเป็นแสงไฟตามบ้านอะไรประมาณนี้พวกเขาก็รีบเดินแต่ยิ่งเดินยิ่งไกลและแ ล, แล้วแสงไฟก็หายไปพวกเขาก็ยังเดินต่อไปแต่ก็วนมาที่เดิมตลอดทุกคนเริ่มกลัวเริ่มลนกันหมดแล้วก็ยกมืออธิษฐานกับไม้บนบานเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขากอให้ถึงที่พักสักทีแล้วไม่นานเพื่อนคนหนึ่งก็แหวกหญ้าที่สูงท่วมหัวข้างทางออกมาเจอแสงไฟจากที่ทําการ ทั้งๆ ท, ที่ไม่ไกลจากพวกเขาพวกเขาพบกับเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดทหารบานสวมโมงสองคนส่องไฟมาทางเขาและบอกว่าเจอพวกมันแล้วตอนแรกเขานึกว่าเพื่อนเขาที่มากับรถบอกให้คนออกมาตามหาพวกเขาแต่ไม่ใช่และทหารสองคนก็เดินหายไปไหนไม่รู้แล้วพวกเขาก็มาถึงหลังที่ทําการเขามาถึงที่พักกันแล้วและพวกเขาก็ได้จุดทูปขอกข้มาเจ้าที่เจ้าทางพอปักทูปกําลังเดินกลับบอยก็ออกมาพอดีโดยที่ไม่มีอาการใดๆเลย มาตอนเช้าบอยเล่าให้ฟังหลังจากได้สติว่าตอนที่ล้มลงนอนนั้นยังรู้สึกตัวเห็นว่ามีคนตัวใหญ่หน้าตาโกรธมากและทำให้ล้มลงและกดหน้าอกเอาไว้ตอนที่เพื่อนๆพยายามแบกตัวเขาขึ้นมาพวกเขาได้ตามถามหาเจ้าหน้าที่ที่มาส่งบอยเพื่อจะขอบคุณปรากฏว่าไม่มี และพวกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีใครใส่ยุดเต็มยศขนาดนั้นหรอกส่วนแม่ค้าไม่ได้ยินเรื่องก็ให้ความเห็นว่าเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้คนบ่อยๆเมื่อพวกเขาได้เดินกลับไปดูเส้นทางที่เดินมาเมื่อคืนพบว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่เห็นเมื่อคืนไม่มีเลยมีเพียงหญ้าเตี้ยๆสูงไม่ถึงเขา่ามีหลักฐานว่าเป็นเส้นทางเดิมมีหลักฐานว่าเป็นเส้นทางเดิม คือร่องรอยพาสเตอร์ที่เขาใช้กันหล่นอยู่ข้างทางอยู่เลยทิศที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาก็ไม่มีทางเป็นทุ่งหญ้าและทางสามแยกก็ใช้ได้เพียงด้านขวาเพราะด้านซ้ายที่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาเมื่อคืนเส้นทางขาดน้ํำซาะทางเป็นร่องลึกใช้ไม่ได้จึงเป็นเรื่องมหาศจ ร, รที่รวมกันหลายหลายอย่างก่อนลงจากภูกระดึง พี่ใหญ่รู้สึกขอบคุณไม้เท้าและได้เอาไปพิงไว้หลังต้นสนใหญ่ที่สุดบริเวณกลางเต็นท์เมื่อพวกเขากลับมาถึงตีนภูกระดึงก็แวะไปไว่ายสารเจ้าพ่อภูกระดึงปรากฏว่าในศารมีไม้เท้าสีแดงอยู่ลักษณะไม้เท้าเหมือนกับไม้ที่พวกเขาใช้เมื่อคืนบนภูกระดึงพวกเขาจึงคิดว่าเป็นเจ้าพ่อได้ไปช่วยพวกเขาบอยไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเพราะกลัวโดนดุแต่ได้เล่าให้พี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็เล่าให้แม่ฟังในที่สุดหลังจากได้ยิน แม่เล่าถึงความฝันช่วงที่บอยไปเที่ยวภูกระดึงว่าได้ฝันเห็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งมาเหมือนมือกําลังไล่ต้อนเด็กตัวเล็กๆอยู่แม่บอยก็ร้องว่าอย่าอย่าไปทําเลยสงสารเด็กมันในฝันก็ไม่ได้เห็นเป็นบอยแต่เห็นเป็นเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นเองในขณะที่แม่บอยนั่งคุยกับพี่สาวอยู่เกิดได้ยินเสียงแหววขึ้นมาว่าให้พวกมันไปขอขมากูแล้วพวกเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟัง แม่ก็เลยพาบอยไปทำสังฆทานและอาบน้ำมนต์ที่วัดหลังจากนั้นแม่ของบอยและบอยก็ไม่เจอเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกเลยเรื่องนี้คงเป็นอุทาหรณ์ของคนที่เข้าไปในป่าและไม่ได้ระวังกับคำพูดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r คร e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ